เรื่องพระเอกะวิหารีเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภพระเถระชื่อเอกวิหารีได้ยินว่าพระเถระนั้นได้เป็นผู้ปรากฏว่านั่งเดินยืนแต่ผู้เดียวพิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระศัสดา ทรงตรัสสาธุการว่าสาธุสาธุดังนี้แล้วทรงตรัสอ น, นิสงของการอยู่ในที่วิเวกส ง, งัดจึงตรัสรักฐานี้ว่าภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวที่นอนคนเดียวพึงเป็นผู้เดียวไม่เกียดคร้านเที่ยวไปเป็นผู้เดียวทรมานตนเป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่าอธิบายคำว่า ที่นั่งคนเดียวที่นอนคนเดียวเพราะเอกาสนังเอกาสยังเป็นที่นั่งที่นอนของภิกษุผู้ไม่ละมูลกรรมฐานแม้จะนั่งอยู่ในถ้ำกลางพุทธบริษัทตั้งพันด้วยการทำไว้ในใจนั้นนั่นแหละผู้มีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วเหนือที่นั่งที่นอนไม่เกียจคร้านที่จะเที่ยวไปเป็นผู้เดียวในทุกอิริยาบถ คำว่าทรมานตนด้วยสามารถแห่งการตามประกอบกรรมฐ า, านในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันภิกษุเมื่อทรมานตนอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่าแล้วบรรลุมรรคผลภิกษุผู้มีปกติพลุกพล้านไม่อาจทรมานตนได้อย่างนี้ คำว่าทรมานในที่นี้น่าจะหมายถึงการฝึกฝนอบรมตนนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกับการทรมานตอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าทุกขรากิริยาในการจบเทศนาภิกษุเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาภิกษุทั้งหลายยอมปรารถนาการอยู่คนเดียวเท่านั้นดังนี้แล